ท่านฟังค่ะและสำหรับตอนนี้มาถึงช่วงเวลาที่จะได้กล่าวนมันศการมพระภัยบูรณภิปุญโนจากวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีช่วงที่เราเรียกกันว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจะนะกันอีกแล้วนะคะนมนศการกับท่านค่ะ ก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังสักหน่อยนะคะว่าวันนี้ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าเสียงอออากาศนี่จะมีความเป็นพิเศษหรือเปล่าแต่ว่าเรามาบันทึกเสียงกันที่ศาลาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธา น, นีนะคะเนี่ยใช่ก็คือสืบเนื่องจากว่ า, าคุณสรนสนีได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกเราก็เลยได้ใช้โอกาสในการที่มาที่นี่ได้บันทึกเสียงรายการนี้ด้วยค่ะ และก็คิดว่าในวันนี้นะคะจะขออนุญาตท่านอาจารย์ว่านอกเหนือจากที่จะได้ถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสพุทธชีันตีในส่วนที่ท่านจะได้กล่าวถึงพระพุทธองค์แล้วเลี้ยงจะขออนุญาตพูดถึงคอสเลกเรนเพื่อที่จะได้เป็นการเล่าให้ท่านผู้ฟังที่ไม่มีโอกาสม า, มาแล้วก็มีความสนใจอยู่นได้ทราบค่ะเรื่องที่จะพูดถึงพุทธเชีนตีอันนี้ก็มีความสำคัญที่ว่า พระเช่าเคยแบ่งสาวกของพระองค์เนี่ยออกเป็นสามระดับนะคือส่วนที่มีแบ่งตามระดับการภาวนานะคือบุคคลที่มีอินทรีย์ภาวนานเฉลิม ก, ก็มีเนะี่ยพวกนี้คือลักษณะของพระอาหารหันต์ที่ว่ามีอะไรอารมณ์แรมา ก, กระทบปุ๊บวางเร็วเร็วมากนะเร็วเหมือนลักษณะที่ว่าบุคคลที่แข็งแรงเขายืดแขนรูปแขนเข้านะหรือว่าอย่างที่2ก็เปรียบเทียบกับบุคคลที่กระพริบตานะในการวางอารมณ์ นะแล้วก็เปรียบเทียบกับบุคคลที่สามารถจะบุคคลแข็งแรงเนี่ยถมน้ำลายนะจากปลายลิ้นของตนเองนะลงไปถึงพื้นนะหรือว่าเปรียบเทียบการดิดนิ้วลักษณะนี้คือระดับที่ดีที่สุดในอินซีการปบาราชันเลอร์ส่วนระดับที่เป็นขั้นอัลยะนะคือพระอาหารหันต์ทั้งหมดเนี่ยที่เก่งมากก็มีที่เก่งธรรมดาก็มี ที่เก่งมากก็จะอยู่ในลักษณะของอินรีภาวนาชั้นเลิศในที่เก่งทั่วๆไปนก็จะพูดถึงการอินรีภาวนาในขั้นอริยะนะคือเวลาเจออารมณ์ใดๆแล้วเนี่ยสามารถปล่อยวางอารมณ์นั้นได้นะอยู่ในอุเบกขาได้แล้วก็ระดับที่3คือพระเสขะทั่วๆไปนะคือปกติเราจะได้ยินกันแค่ว่าเสขะกับอาเสขะถูกในกรณีนี้พุทธเจ้าพูดถึง3อย่างเลยนะคือชั้นเลิศ นนะคืออินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ น, นี่พวกพาะอรหชั้นสูงในะระดับที่สองที่พูดเนี่ยคือที่ว่าปล่อยวางอารมณ์ได้เฉยๆแต่ความรวดเร็วอาจจะช้าหน่อยแต่แต่ทั้งสองอย่างนี้เป็นอาสิขะแล้อย่างที่สามนี่ก็เป็นอสิขะนัคือยังพอใจบ้างไม่พอใจบ้างรู้สึกดัดกระทั่งกระทบกระเทียบรังเกียจอยู่บ้างนะันี้มีคือเสะกัน นี่ก็เป็นความรู้ที่เราได้เพิ่มเติมมากขึ้นทุกวันทุกวันนะคะจากการฟังรายการสันสนีสนทนาแล้วก็เป็นโอกาสที่ได้ความรู้เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธองค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสเรามีพระพุทธองค์ตรัสรู้มา 2,600 ปีทีนี้มาถึงเรื่องของหลีกเลนอยากจะให้ท่านไเบูรณ์ได้บอกว่าครั้งที่ดิฉันมาปฏิบัติเนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่ที่ทังวัดทำแล้วคะ่ะ30 ส5มัห้าไหมโอ้สามสิบห้าก็เท่ากับสามปีนะคะโดยประมาณสมมติว่าเดือนละครั้งนะคะแล้วก็ครั้งนี้มีผู้หลีกเล้นห้าสิบเก้าคนถูกไมคะเ อ, อ่อเฉพาะผู้หญิงแล้วก็ถ้ารวมหมดนี่ก็เก้าสิบอ๋อหรอคะใช่รวมต้องประสงค์ด้วยรวมอะไรด้วยอ๋อคือที่นับนี่ดิฉันก็ลืมดูว่าซี่ข้างดิฉันเองเนี่ยเล่นเป็นเะบอร์ห้าสิแปดนนฟังคะ่ะแล้วก็มีอยู่ห้าสิบเก้าท่านก็รวมแล้วเกือบร้อยคน มีเด็กๆ ด, ด้วยอืเพราะว่าอะไรคะช่วงปิดเทอมช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทมอมเด็กเล็กสุดเด็กผู้หญิงนี่ยังไม่มีโอกาสคุยกันสักทีอายุเท่าไหร่นะคะเก้าวขวบน่ารักาามากาาเลยนะคะท่านฝั่งคือไม่ใช่หน้าตาน้ารักอย่างเดียวนะคะคืออปฏิบัติตนได้เป็นผู้ปฏิบัติที่ดีเยี่ยมทีนี้อยากจะให้ท่านอาจารย์ได้ช่วยพูดโดยสรุปให้กับท่านผู้ฟังได้ไหมคะว่าอ่กําหนดการ หรือว่าโดยรวมภาพรวมของหลักสูตรเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะดิฉันเนี่ยจะได้วิจารณ์ในฐานะเป็นผู้มาปฏิบัติกันน่นค่ะคือที่มาที่ไปของการหลีกเร่นปฏิบัติธรรมเนี่ยมาจากพุทธวจนะที่พระเจ้าเคยบอกว่าตัวพระองค์เองเนี่ยก็เป็นหลีกเร่นนะลีกเล่ น, นะลลนอยู่ในที่หลีกเล่นแต่ผู้เดียวบางทีวันหนึ่งก็เอาสามวันก็มี7วันก็มีเดือนหนึ่งสเดือนมีมีหมดนะไปหลีกเล่นเนี่ยอารมาก็พยายามดูว่าไอ้พระรูชาทําอะไรนะไปบิณฑบาตก็ไม่ไป นะมีภิกษุที่ไปบิณฑบาตมาแล้วก็เอาอาหารมาถวายให้เอามาให้นี่ก็ไม่ได้ว่ามันพบกันพูดกุนนะมาพูดคุยกันนะไม่ใช่เอามาตั้งไว้เฉยพระเจ้าสรรเสริญแล้วพร ะ, ร ะ, ร ะ, ระก็ออกไปล้างแค่นั้นเองแล้วก็อยู่ทําไมหลีกเลนก็อยู่หาความสุขหลีกเล่นมากจนกระทั่งว่าพวกปริพาโชคอื่นๆเนี่ยเขามาโจดว่าหสงสัยธรรมนะชโคดมนี่ยังไม่เป็นพระเจ้าจริง ค, นะคือมันจะมีความแตกต่างในการปฏิบัติ กับการหลีกเลนคุณโยมติว๋วการปฏิบัติเนี่ยคือคุณอยู่ที่ไหนคุณก็ทําทได้แต่พุทธเจ้าให้ปฏิบัติทุกที่ยืนเดินนั่งนอนทุกรีบทอยู่ที่ทํางานอยู่ในรถอยู่บนรถเมย์คุณต้องทําตลอดแ ต, แต่การหลีกเลนเนี่ยขณาพระพุทธเจ้าคิดดูพระุทธเจ้ายังหาเวลาไปหลีกเลนพระพุเจ้าเนี่ยหน้าที่ของพระองค์เนี่ยนะคือไปแสดงธรรมสมาสัมพุทธธาเหนื่อยไหมคือบำเพ็ญเพียร เ, เปรานา ม, มาเนี่ยเพื่อช่วยเหลือสัตว์โลกเนี่ยนะแล้วแต่ทำไมตัวเองยังต้องไปหลีกเล่นนี่เป็นประเด็นที่คิดว่า องั้พวกเราต้องลีกเลนองส า, าทุกันนี่ขนาดดิฉันปฏิบัติมาแล้วนี่เพิ่งทราบนะคะว่าหลักสูตรที่เนี่ยไม่เรียกว่าปฏิบัติธรรมเพราะไม่เหมือนกันอืต้องใช้คําว่าห ล, ลีกเล้นที่มาคือเดินตามรอยพระพุทธองค์ใช่จึงเรียกผู้ที่มาเนี่ยว่าผู้หลีกเล้นค่ะแล้วเราก็พยายามที่จะคือการลีกเลนจริงๆคุณโยมติ๋วมันเหมือนกับคุณไปอยู่ป่าคนเดียวคุณไม่เจอใครเลยขันไปทางไหนจะคุยกับคนเนี่ยไม่มี แต่แต่ทุกวันนี้เราหาสถานที่แบบนั้ น, นแทบจะไม่ได้ค่ะแล้วถ้าได้เนี่ยเขาก็หมยายญาให้เราเข้าไปทําเขาไปนั่งสมาธิอะไรเงี้ยเขาไม่ให้มีแต่จะจับเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยสมมุติที่นี่ซะนะคือวัดปาา่าลอยน้ำศกเราก็ปิดไปเลยปิดเลยไม่ไม่ไปไหนพระไม่ไปบิน บ, บาตไม่รับใครแล้วก็ปิดวัดไปเลย นะกฎตีทุกหลังนะให้ผู้ลเล่นอยู่หมดเนะต็มไม่รับแขกทั้งสิน้นในกิจกรรมเราไม่ไปไหนไม่ทําอะไรขึ้นลีกเล่นกันอย่างเดียวแล้วก็มีกฎการลีกเลนก็คือไม่พูดกันะไม่สื่อสารการันด้วยภาษาท่าทางใดๆทั้งสิน้นก็พยายามจาลองให้ได้มากที่สุดแล้วก็พยายามที่จะมีระบบการจัดการที่ทําให้เอื้ออำนวยต่อการลีกเล่นเท่านั้นเองค่ะอันนี้ขอให้ดิฉันได้พูดว่าได้ไดว่าที่ท่านไปบุญพูดมาเนี่ย บางคนอาจจะฟังว่าโอ้เป็นไปได้ยังไงดิฉ<ะ>ันเองเนี่ยนะคะทันทีที่เดินทางมาถึงก็จะมีผู้ช่วยงานทําซึ่งบางคนก็มาไกลๆจากกรุงเทพบางคนเป็นศิลปินดังจากบริษัทแกรมมี่เลยนะค ะ, ะบางคนก็เป็นเจ้าหน้าที่อยู่บนเครื่องบินการบินไทยต่างคนต่างก็มีใจเพราะว่ามาพบแล้วว่าตัวเองนั้นเคยปฏิบัติมาแล้วผ ล, ผลดีอย่างไรก็อยากจะมาอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ีเรียน เขาก็บอกว่าขอเก็บโทรศัพท์และมองหน้าดิฉันมีตุ้มหูหนึ่งคู่มีแหวนมีเขาขอเก็บหมดเลยค่ะเอาไปใส่ตู้เซฟเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะบอกว่าข้อที่หนึ่ง จะได้ไม่ต้องเป็นกังวลข้อที่สองเนี่ยคือว่าเขาปิดวาจาเดี๋ยวฉันได้ต้องขอต่อรองนิดนึงบอกขอพูดโทรศัพท์สุดท้ายในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี่ก่อนแล้วก็จะได้ทําความเข้าใจกับคนที่เราต้องติดต่อเกี่ยวข้องสําคัญสำคัญนเนี่ยอแต่ข้อเนี้ยเป็นผลดีก่ะท่านพี่ปูนค่ะเพราะมาถึงวันที่เปิดวาจาปุ๊บเนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อการที่จะนั่งปฏิบัติในช่วงของการหลีกเล่นท้ายๆนี่มาก นได้เศร้หรลยโหแค่พูดโทรศัพท์สองสามสายเนี่ยคือผู้ชอบพูดถึงการที่ไม่ยินดีในการคุกคีด้วยหมูค่คณะจะเป็นเหตุให้เรามีสัมมาทิฏฐิสมาสมาธิได้ค่ะแล้วก็เรื่องของศีลแดนะคะท่านผู้ฟังมาที่นี่จะให้เรารับศีลแปดแล้วพวกเราถ้าจะพูดถึงภาพชัดๆก็จะเป็นหนักในทางที่ว่าอาหาร นะคะก็ไม่รับประทานอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์<า>เป็นลักษณะอาหารมังสวิรัต อ, อันนั้นนี่อาจจะนอกเหนือสิน8ปดถูกไหคะ เ, <อ>เป็นมังสวิรัตคือจริงๆแล้วเรื่องของสีนแปดเนี่ยก็คือรับประทานแค่มือเดียวคาบเดียวใช่ที่ว่าเราก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ว่า เ, เรื่องอาหารมังสวิรัตเนี่ยเป็นเพราะว่ามันทำง่ายที่นี่ค่ะคือว่าอาหารพื้นบ้านเร า, าหาง่ายๆอย่างตาปะงส้มตํางเงี้ย จริงๆเราก็เป็นอาหารมังสวิรัตอยู่แล้วลซุปหน่อไม้พวกนี้ก็เป็นอาหารมังสวิรัตอยู่แล้วแ้วเราก็ทำให้ร่างกายมันเบา แ, และมีผลดีต่อการภาวนาก็เลยใช้อาหารมังสวิรัตนี่แหล ะ, ะก็คือเหมือนกับว่าเราต้องปรับ พฤติกรรมในเรื่องของการรับประทานตามใจปากเวลาเราอยู่ข้างนอกอ ม, มารับประทานอย่างมีระเบียบถ้วยโถโอชามนี่มีการจัดไว้ของใครของเขาแล้วก็จะต้องดูแลของเรากันเองอันนี้ก็เป็นส่วนที่ที่ฉันคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นการจัดระเบียบทําให้อ่าในเมื่อการดําเนินชีวิตมันเป็นระบบการจะไปจัดระเบียบจิตเนี่ยมันน่าจะส่งเสริมกันก็ผู้เชาบอกอย่างนี้บอกว่าถ้าเราอยู่ง่ายกินง่ายแต่เป็นผู้สันโดษสันโดษนี่คือแบบ มีอะไรก็คุณก็ใช้อย่างนั้นแล้วก็มีบริการน้อยนั้สนโดดในบริการของชีวิตอันเนี้ยถึงจะเรียกว่าทำอนาปานาสติให้เจริญได้แต่กลับเรียนท่านเพื่อที่จะให้ผู้ฟังอยู่ทางบ้านด้วยนะได้เห็นนะภาพนะได้เห็นภาพแล้วก็ได้รับทราบเพื่อความสบายใจว่าพอได้นะคะอยู่สบายเรียนชอบค่ ะ, ะยังนึกเลยว่าเอ๊ะ น, นี่ถ้าอยู่สักเดือนงสงสัยก็จะติดกลับไปเรื่องของ รูปกายสักนิดนะคะว่าอุ่นน่าจะดีขึ้นแล้วก็สิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือป้ายใหญ่ๆอะคะอ่ะที่ท่านเขียนเป็นพุทธพจน์ที่ตรัสเกี่ยวกับเรื่องของผู้มีสติรู้ประมาณใ น, ในโพชนาะที่ได้มามใช่ไหมคะใช่ยอ่อมอ่ารู้ประมาณย่อมมีเวลาเ บ, บาๆอาหารย่อม ย, อย่ยอยง่ายแล้วก็แก่ช้าแก่ช้าและอายุยืน ต้งว่าอย่างนี้ย่านนั่งท่องทั้งวันเลยชอบจริงๆแล้วก็อยากจะมาบอกท่านฟังว่ามีความคิดว่าเนี่ยจะมาพูดในรายการนี้บ่อยๆด้วยเพราะว่ามันเป็นการทําให้พวกเราเนี่ยมีสติในการรับประทานซึ่งมันจะส่งผลที่ดีกับชีวิตเท่ากับกําลังจะบอกท่านว่าพระพุทธองค์นั้นก็มีความรู้ที่อํานวยประโยชน์ให้กับเราในลักษณะพื้นพื้นเป็นต้นไปแต่เข้าใจจะกราบเรียนถามท่านอย่างนี้ค่ะเรื่องของการกินนะคะ มันมีผลไหมคะกับการที่เราจะมาฝึกสติในช่วงหลีกเล่นอ๋อมีแน่นอนบุคคลผู้ที่รับประทานาาแต่พอดีเนี่ยมีปกติเป็นผู้มีท้องอันพร่องอยู่เสมอนั่นจะสามารถทําอนาปานสติให้ดีได้นะท้องพร่องน ะ, ะท้องเราคุณโยมติวเนื่อ ง, งหรือไมท้องเราเนี่ยมันจะมีเป็นรูปเหมือนไตใช่ไหมแล้วตรงหัวหัวมันจะมีที่ว่างนิดนึงเยตรงนี้จริงๆให้เป็นอากาศ เป็นที่ให้อากาศอยู่เวลาที่มันเกิดกระบวนการย่อยใช่ไหมมันจะมีผิตแก๊สออกมาเนี่ยถ้าเราไม่มีที่ให้ในท้องหรืออยู่เลยเนี่ยมันจะอึดอัดมากและเป็นพวกคนที่เอ่อเรอออกมาเนี่ยในลักษณะ น, นี้ยิ่มมากเกินไปค่ะก็มีระเบียบมากในเรื่องรับประทานทีนี้วันนี้อยากจะพูดภาพรวมทั้งหมดในส่วนของตารางประจําวันเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังก็จะถูกปลุกในเวลาตีสี่ครึง่งหลายคนบอกว่าแปลกมากเวลามา นั่งสมาธิเนี่ยตื่นเองนะคะไม่ต้องปลุกเลยดูเหมือนกับว่าจิตเนี่ยเขาจะรู้เมื่อถูกฝึกใช่ก็จะค่อยๆคือปกติมันจะตื่นตื่นง่ายอยู่แล้วคนเรานะถ้ามีสติอยู่ตลอดอะไรกึกก้างนิดนึงตื่นทันทีคือถ้าคนฝึกสติอยู่เรื่อยๆนะค่ะแล้วก็จะเริ่มปฏิบัติร่วมกันจริงๆเนี่ยตอนตีห้านะคะจนกระทั่งถึงสามทุ่มครึ่งสามทุ่มโดยประมาณนะคะ แล้วก็ระหว่างนั้นก็จะมีการเท่ากับว่าปฏิบัติจริงๆเนี่ยรวมแล้วกี่ชั่วโมงนะคะที่ท่านออกแบบไว้โอ้โหคือเราไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลย ค, คือคือเราแค่ว่าดูในช่วงเวลาอย่างน้อยก็เวลาตื่นเวลานอนเนี่ยให้มันเป็นยามแรกกับยามสุดท้ายของราตรีทําไมต้องเป็นเช่นนั้นคะ่ะพระพุทธเจ้าพูดถึงว่าให้นอนยามเดียวคือ <c oughs> ยามแรกของของราตรีเนี่ยให้ฟังธรรมะให้ปฏิบัติธรรมะวันนี้เราก็จะให้ไปจบสักสามทุ่ม ส่วนยามแรกแห่งราตรียามสุดท้ายแห่งราตรีใช่ไหมก็เริ่มสักตีสี่อย่างเงี้ยนะคะก็เรียกว่าพยายามจะดำเนินรอยตามพระพุทธองค์นะคะแล้วก็พูดง่ายๆอย่างนี้นะคะก็จะมีการปฏิบัติกันเรียกว่าให้คุ้มค่าที่เราเดินทางมาแต่ก็ไม่ได้หนักหนาจนเกินไปมีช่วงเวลาให้พักพอสมควรทีเดียวในห้วงเวลาดังกล่าวนี้นะคะ เนื่องจากว่าวันนี้เวลาใกล้จะหมดดิฉันอยากจะพูดภาพรวมให้เห็นว่าเอกลักษณ์ของการจัดเหล็กเลนที่นี่ถ้าจะให้ท่านไปบุญพูดนี่เป็นอย่างไรคะก็คือเราจะให้ใกล้เคียงกับในสมัยพุทธกาลเป็นพุทธวัจนะมาก ะ, ะป้ายอะไรต่างๆนะถ้าเห็นแล้วก็จะมีแต่ส่วนที่เป็นพุทธวัจนะถึง99เต่ ะ, ะมีแค่1ที่ไม่ใช่เรื่องคาสอนนก็98ที่เป็นพุทธวัจนะ ในอีกสองเปอร์เซนที่เราจะต้องบอกให้ข้อมูลเลงต่างบ้างเราก็จะเน้นเรื่องนี้ให้มากที่สุดแล้วจริงๆเราเน้นอยู่สามเรื่องคือเรื่องพุทธวจนะแล้วสองเรื่องของกฎการหลีกเล่นแล้วก็เรื่องที่สามคือเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็บุคลากรแต่สามอย่างนี้ที่คิดว่าเราเราจะทําได้เราก็จะเน้นให้มันดีค่ะแล้วก็ต้องขอแสดงความขอบคุณและชื่นชมทางผู้ช่วย การ ท, ทำเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะกับการวางกฎกติกาที่นี่กับการเคารพกฎนะคะเดชนได้เห็นว่ า, ากฎเมื่อมันมีผลของการบังคับใช้อย่างเคร่งครัดกฎที่ถูกวางไว้เป็นอย่างดีและได้รับการนำมาใช้อย่างเคร่งครัดเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับส่วนรวมเป็นอย่างยิ่งใช่อันนี้อาจจะสะท้อนไปถึง โลกภายนอกที่เต็มไปด้วยกฎด้วยนะคะอันนี้จริงๆแล้วมีประเด็นที่จะพูดถึงเรื่องนี้อยู่เป็นกันคิดว่าจะพูดต่อในวันพรุ่งนี้ได้เกี <c oughs> ่วยวกับเรื่องของกฎพวกนี้ค่ะนะคะท่านฟังคะเนื่องจากว่าเราก็มีเวลาจํากัดในแต่ละวันแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นการสรุปภาพรวมให้เห็นบรรยากาศของการมาหลีเกเล่นที่วัดป่าดอนหายโศกอําเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีที่ท่านไพภูนเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรอยู่แล้วก็มีหลวงพ่อด สะอาดทิโตภาโซเป็นท่านเจ้าววาดในครั้งนี้ครั้งที่36เนี่ยที่ันสรนสณีนาคพง์ผู้จัดรายการเนี่ยนะคะเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาเข้าร่วมในการหลีเกเลนแล้วก็มีความรู้สึกว่าประทับใจอยากจะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้รู้จกักแล้วลองตัดสินใจกันดูว่าจะมาหรือไม่มาวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมากราบเรียนถามท่านต่อได้ไหมคะได้ไดนี่คงต้องนมัสการกราบลาท่านแต่เพียงเท่านี้คะ่ะนะเจริญพร ท่านฟังที่ครบค่ะส่วนรายการของเรานะคะการที่เราศึกษาพุทธวจนะเนี่ยศึกษาวิทถอะค่ไม่เสียหลายได้ประโยชน์จริงๆแล้วยิ่งถ้าเรามาปฏิบัติควบคู่ไปด้วยนะคะเราจะได้พบเลยว่าโอ้ที่พระพุทธองสอนไว้นั้นเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติได้ปฏิบัติแล้วเห็นได้ดิฉันมีตัวอย่างคนที่อยากจะนําเอามาเล่าให้ฟังเอาไว้ติดตามกันต่อไปในวันพรุ่งนี้กันละกันนะคะสําหรับวันนี้ใครที่อยากได้หนังสือพุทธวจนะก็ยังส่งมาที่0 2นย์สองสองห เหมือนเดิมนะคะท่านอาจารย์คือกรีดก็มอบมาให้เราวันละสามเล่มเช่นเคยวันนี้พุทธวสตรีค่ะ